ถ้มบทแปลเรื่องที่หนึ่งภาคที่หเรื่องเจ้าสุ ป, ปะพุทธะสากยะประศาสดาเมื่อประทับอยู่ในนิโครตารามทรงปรารพเจ้าสากยะพระนามว่าสุ ป, ปะพุทธะตรัสพระธรรมเทศานานิว่าณนะอันตาลิเก นะสมุรทธราเชนะปะปปาตานังวิวรังปวีสังนะวิจตีโสชัขติปเทโสยัติรติตังนะปะสะเฮยะมัจุแปลว่าบุคคลที่ทำกรรมชั่วไปนี้ไปแล้วในอากาศก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่ว หนีไปในท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้ตอนเจ้าสุปปะพุทธะแกล้งนั่งปิดทางเสด็จพระาศาสดาดังได้สลับมาเจ้าสุปปะพุทธะพระองค์นั้นผู้อาฆาตในพระาศาสดาด้วยเหตุสองประการนี้คือพระสมณโคดมนี้ ทิ้งลูกสาวของเราออกบวชประการหนึ่งให้ลูกชายของเราบวชแล้วตั้งอยู่ในฐานะแห่งผูมีเวณต่อลูกชายนั้นอีประการหนึ่งในวันหนึ่งเจ้าสุ ป, ปะพุตานั้นได้มีความดำริว่าก็ในบัด น, นี้เราจะไม่ให้พระสมณโครมนั้นไปฉันยังสถานที่นิมนต์ได้ ดังนี้จึงปิดทางเป็นที่เสด็จไปนั่งเสวยน้ําจันทร์ในระหว่างทางลำดับนั้นเมื่อพระศาสดามีพี่สุสงห้อมล้อมเสด็จมาที่นั้นพวกมหาเล็กทูลเท้าเถอว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วเท้าเธอก็ตรัสบอกว่าพวกเจ้าจงลุกหน้าไปก่อน ช่วงบอกสมณะนั้นว่าพระสมณะโกดมองนี้ไม่เป็นใหญ่กว่าเราเราจะไม่ให้ทางแก่พระสมณะโกดมนั้นแม้พวกมหาเล็กทูลเตือนแล้วๆเล่าๆก็คงประทับนั่งรับสั่งอย่างนั้นแหละพระาศาสดาไม่ได้หนทางจากสำนักของพระเช้าลุงคือพระมาตุละจึงเสด็จกลับจากที่นั้น แม้เท้าเธอื่อได้ส่งคนสอดแนมคือจารบุรุษไปกุ้นหนึ่งด้วยกำชับว่าเจ้าส่ ง, งไปฟังคำของพระสมณโคดมนั้นแล้วกลับมาตอนเจ้าสุปปพุทธทำกำหนักจาถูกแผ่นดินสุบแม้พระศาสดาเสด็จกลับมาทรงทำการย้ำพระโอษฐ์พระอนนเตระ ทูนถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไรหนอแลเป็นปัจจัยแห่งกรรมคือการย้ำประโอษฐ์ให้ปรากฏพระชก้าอานนท์เธอเห็นเจ้าสุปาปุตตานั้นไหมเห็นพระชก้าเจ้าสุปาปุตตานั้นไม่ให้ต่างแก่พระพุทธเจ้าผู้เช่นเราทำกรรมหนักแล้วในวันที่เจ็ด จากวันนี้เต้าเจอจะเข้าไปสู่แผ่นดินคือถูกตรรนีสู่นะที่ใกล้เชิงบันไดในภายใต้ประศาสตร์จารบรุตรคือคนสอดแนมได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วไปสู่สำนักของเจ้าสุปาพุตถะถูกพระองค์ตรัสถามว่าหลานของเราเมื่อกลับไปพูดอะไรบ้างจารบรุตร จึงกราบทูลตามที่ตนได้ยินแล้วท้าวเธอนั้นได้สดับคําของจาร บ, บุรุษนั้นแล้วตรัสว่าก็บัดนี้โทษในการพูดคือการพูดผิดแห่งหลานของเราย่อมไม่มีเธอตรัสคําใดคํานั้นต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆทีเดียวแม้เมื่อเป็นเช่นนี้คราวนี้เราจะจับผิดเธอด้วยการพูดเท็จ พระเธอไม่ได้ตรัสกับเราโดยไม่เจาะจงว่าท่านสุปาพุทะจะถูกตรรนีสูบในวันที่เจ็แต่เธอตรัสว่าท่านสุปาพุทะจะถูกตรรนีสูบที่ใกล้เชิงบันไดในภายใต้ใตประสาทก็นับตั้งแต่วันนี้ไปเราจะไม่ไปสู่ที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราไม่ถูกตรรนีสูบในที่นั้นแล้วจะขมกี่เธอ ด้วยการพูดเทศดังนี้แล้วเจอจึงรับสั่งให้พวกมหาเล็กขนเครื่องใช้สอยของพระองค์ออกทั้งหมดไว้บนประสาทเจดจันท์ให้ชักบันไดปิดประตูตั้งคนแข็งแรงประจำไว้ที่ประตูบ้านละสองคนแล้วตรัสว่าถ้าเราเป็นผู้มุ่งจะลงไปข้างล่างโดยความประมาทใ้ พวกท่านต้องห้ามเราเสียดังนี้แล้วก็ประทับในห้องอันเป็นสิริบนพื้นปราสาทชั้นที่เจ็ดตอนจะนีผลแห่งกรรมชั่วย่อมไม่ผลประศ า, ษ า, ษาสดาส่งทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเจ้าสุ ป, ปะพุทธมิใช่จะนั่งบนพื้นปราสาทอย่างเดียว ต่อให้หขึ้นไปสู่เวหาดนั่งในอากาศก็ตามหรือไปสู่สมุทรด้วยเรือก็ตามเข้าซอกเขาก็ตามธรรมดาพระดำรัสของพระพุทธชาติทั้งหลายจะเป็นสองไม่มีลาวเธอจะถูกธรณีสูบในสถานที่เราพูดไว้นั่นแหละเมื่อจะส่งสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงได้ตรัส รักษานีวานะอันตาลิเญนะสมุทธามะเชนะปัปพะตานางวิวรังบวีสังนะวิชฉตีโสชัขติปะเทโสยัตรัชติตังนะปะสะเฮยะมะจุแปลว่าบุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้นี้ไปแล้วในอากาศ ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปในท้ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปทางซอกภูเขาก็ไม่พ้นจากกรรมชั่วได้เพราะเขาอยู่แล้วในแผ่นดินส่วนใดความตายพึงครอบงำไม่ได้แผ่นดินส่วนนั้นหามีอยู่ไหม่นมิมบรดากรรมเหล่านั้นคําว่า นับปะสะเฮยะมั จ, จุแปล ว, ว่าความตายพึงครอบงำไม่ได้คำนี้หมายความว่าประเทศคือแผ่นดินแม้เพียงเท่าปลายผมที่มรณะไม่พึงเยี่ยมยีคือไม่พึงครอบงำผูส้สถิตอยู่ย่อมไม่มีคำที่เหลือเช่นกับในบทก่อนนั้นนั่นเดียวดังนี้แหละในการจบเทศนา ชนเป็นเ น, นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละตอนเท้าเธอถูกแผ่นดินสูบเกิดในอเวจีนรกในวันที่เจ็ดในเวลาคล้ายกับเวลาที่เจ้าสุปาพุทธะปิดหนทางพิขาจารย์ของพระศาสดาหมามงคลของเจ้าสุ ป, ปะพุทธะ ในภายใต้ประสาทคือขนองแกระแทกแล้วที่ฝ่านั้นๆเท้าวเธอประทับนั่งอยู่ชั้นบนนั่นเองได้สดับเสียงของม้านั้นจึงตรัสถามว่านั่นอะไรกันพวกม้าเล็กถูดว่าม้ามงคลขนองพระชจาส่วนม้านั้นพอเห็นเจ้าสุปปุทุก็จะหยุดนิ่งขนาดนั่นเองเท้าวเธอมี รับประสงค์จะจับมานั้นได้เสด็จลุกจากที่ประทับบายพระพักมาทางประตูประตูทั้งหลายเปิดเองทีเดียวบันไดตั้งอยู่ในพื้นที่ของตนตามเดิมคนแข็งแรงผู้ยืนอยู่ที่ประตูจับเท้าเธอที่ประสอผลักให้มีพระพักขมำลงไปโดยอุบายนั้นประตูที่พื้นทั้งเจ็ด ก็เปิดเองทีเดียวบันไดทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในที่เดิมพวกคนที่แข็งแรงประจำอยู่ที่ชั้นนั้นๆเท้าเธอก็จับที่ประสอเที่ยวแล้วผลากให้มีพระพักขมำลงไปโดยอุบายนั้นประตูที่พื้นทั้งเจ็ดก็เปิดเองทีเดียวบันไดทั้งหลายตั้งอยู่ในที่เดิมพวกคนแข็งแรง ที่ประจำอยู่ในชั้นนั้นๆก็จับเท้าเธอที่ประสอแล้วผลักให้มีประพักเขมำลงไปขณะนั้นพื้นแผ่นดินนี้แตกแยกออกคอยรับเจ้าสุปปพุทธนั้นพูดถึงที่ใกล้เชิงบันไดที่ภายใต้ประสาทนั่นเองเท้าเธอไปเกิดแล้วในอเวจีมารนรกนาง น, นี้แหละ